ชีวิตของร่างกายในที่สุดก็ต้องมีวันจบสิ้นไปเพราะชีวิตของร่างกายหมดไปใจก็ไม่มีเครื่องมือที่จะหาความสุขต่อใจก็จะมีแต่ความทุกข์ใจก็ต้องดินไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่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 สุดท้แต่ที่เราจะชอบไปถ้าเราชอบทําบุญกับโรงพยาบาลก็ไปโรงพยาบาลชอบทําบุญกับโรงเรียนก็ไปโรงเรียนชอบทาบุญกับเด็กกำพร้าคนจราหรืออะไรก็ตามที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขได้รับประโยชน์จากการกระทาของเรา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 ซื้อความทุกข์ให้กับใจมากกว่าซื้อความสุขเพราะความสุขนี้จะได้เพียงเดี๋ยวเดียวแล้วก็จะหมดไปแล้วก็จะได้ความอยากเพิ่มมากขึ้นไปก็จะต้องใช้เงินมากขึ้นไปไเรื่อยๆเช่นคนที่ซื้อความสุขด้วยการดื่มสุรายาเมาตอนต้นก็อาจจะซื้อเพียงแก้วเดียว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 และอยากจะได้เร็วๆได้ง่ายๆวิธีที่เร็วและง่ายก็มักจะเป็นวิธีที่จะต้องทำบาปคือต้องโกหกหลอกลวงต้องโกงอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เรานี้ไม่สามารถรักษาศีลได้ก็ทำให้เราไม่สามารถก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ดังนั้น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 ช่วยเหลือลงพยาบาลก็ได้แล้วแต่ที่เราจะศรัทธาเรามีความศรัทธาไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นอย่างพวกชาวพทธเราก็ศรัทธาไปวัดกันไปทำบุญที่วัดกันมีงานบุญอะไรเราก็ไปร่วมกันไปทำกันอันนี้ก็เป็นการสร้างความสุขให้กับใจ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 คนที่ไม่ทำบุญนี้ทำบาปได้ง่ายถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีศีล1คนที่ดีเราก็ต้องรักษาศีลให้ได้ก<ม>ารรักษาศีลก็คือการละเว้นจากการทำบาปห้าประการด้วยกันคือหนึ่งการไม่ฆ่าสองการไม่รักทรัพย์ สามการไม่ประพฤติผิดประเวณีสี่การไม่พูดปดห้าการไม่ดื่มสุรายามเามานี่คือการกระทาที่ทำแล้วจะเกิดโทษให้กับตนเองและผู้อื่นจะทำให้ผู้กระทานั้นมีความทุกข์ตามมามทุกที่ใจถ้าเราต้องการที่จะดูแลรักษาใจ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 ที่ชั้นปสองได้ชั้นปสามได้ตามลําดับชั้นใดถ้าเราทําทานได้เราก็จะขึ้นสู่การรักษาศีลได้เรารักษาศีลห้าได้ต่อไปเราก็จะรักษาศีลแปดได้ศีลแปดนี้มีความจําเป็นและมีความสําคัญกว่าศีลห้าเพราะศีลแปดนี้จะเป็นตัวเชื่อม การปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปก็คือขั้นสมถขขั้นสมถภ า, ภาวนาและวิปัสนาภาวนาถ้าเรายัางรักษาศีลแปดไม่ได้เราจะไม่สามารถปฏิบัติสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาได้เราต้อง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 รักษาสินแปดแล้วก็ภาวนาไปด้วยกันได้ถ้าเราอยากจะภาวนาเราต้องรักษาสินแปดเพราะถ้าไม่มีสินแปดนี้จะไม่มีกําลังเหมือนกับเวลาขับรถขึ้นเขาเนี้เราต้องใช้เกียร์ต่ำถึงจะขึ้นเขาได้ถ้าใช้เกียร์สูงนี้จะขึ้นไม่ได้ฉันใดสินห้าก็เป็นเหมือนเกียร์สูง ถ้าขับรถบนที่ราบนี้ก็ใช้เกียร์สูงได้แต่เวลาจะขึ้นเขาที่สูงชันนี้จาเป็นจะต้องใช้เกียร์ต่ำถึงจะขึ้นได้ถึงจะมีกําลังที่จะปีนป่ายขึ้นไปได้ฉะนั้นใดถ้าเราต้องการที่จะเจริญส ม, มถาทาวนาคือทำใจให้สงบจเจริญสติอย่างต่อเนื่องปรีกวิเวก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 แต่เป็นการหาความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปพราจะทำให้ติดพอไปเที่ยวแล้วก็ติดอยากจะไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาไม่มีเงินเที่ยวจะทำอย่างไรเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่หงุดหงิดลาคาญใจความหงุดหงิดลาคาญใจนี้ไม่ใช่เป็นความทุกข์หรือนั่นแหละแล้วก็ต้องไปหาเงินหาทองอยากจะได้เร็วๆก็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 ให้กับการปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าส่งสอนให้ปฏิบัติแนละที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติมาแล้วเถิดและรับรองได้ว่าเราจะไม่ผิดหวัง <c oughs> การแสดงก็พอสมควรแต่เวลาก็ขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง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 มาเตภวตวันตระยอสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีฤทสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลั ใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ค่ ะ, ะกับเบญพาจารย์นะคะก็คือโยส่วนตัวหนูเนี่ยก็เพิ่งจะได้เข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยการชักชวนของพี่ในหมู่บ้าน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 มันมันสัมผัสได้ยังไงกับความสุขตรงนั้นนะคะซึ่งปกติถ้าอย่างเสาวอาทิตย์เนี่ยเราก็จะดูนั่งฟังเพลงไม่ได้เข้ามาในขอส่วนของพุทธลศาสนาเหจะรู้ว่าถ้ามาวัดบ่อยๆแล้วเราควรที่จะเริ่มปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เราได้รับสัมผัสหรือว่ารู้สึกถึงความสุขเหมือนที่พี่หลายๆคนที่เขาเข้ามาวัดกันประจำมาค่ะก็ทําตามที่เขาทำไงเขาก็มาแล้วเขาก็ทําบุญใส่บาตรรักษาศีล ฟังเทศฟังธรรมก็นั่งตั้งใจฟังเรือการกระทํานี้มันไม่ใช่ทําเพียงครั้งสองครั้งมันจะเห็นผลชัดเจนมันเป็นสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นอต้องทําบ่อยๆทํามากๆเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานเพียงคำสองคามันยังไม่อิ่มอยากจะให้มันอิ่มนี้ก็ต้องรับประทานไปเรื่อยๆ แล้วเดี๋ยวมันก็จะถึงจุดอิ่มขึ้นมาเองถ้ายังไม่อิ่มก็ต้องรับประทานต่อไปจันใดถ้าทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมฝึกนั่งสมาธิยังไม่ได้ผลก็แสดงว่ายังทาน้อยไปหรือทาไม่ถูกหลักก็ต้องฟังธรรมไปบ่อยๆแล้วก็ทาไปแล้วก็ปรับปรับดูการปฏิบัติของเรากับ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 นี่คือสิ่งที่เราต้องคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการส2มสิบสองประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปให้รู้ความจริงอันนี้แล้วยอมรับความจริงอันนี้อย่าไปฝืนความจริงใจก็จะไม่ทุกข์แร้วเท่านั้นเองให้รู้ความจริงแล้วก็ยืนบนความจริง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 ต้องบังคับให้พิจารณาอย่างต่อเนื่องจนเห็นตลอดเวลาเวลาเห็นร่างกายของคนนี้เห็นทั้งทังนอกเห็นทั้งข้างในเห็นทั้งส่วนที่สวยที่งามเห็นทั้งส่วนที่ไม่สวยไม่งามเห็นทั้งส่วนที่โศกตกอันนี้ถึงจะสามารถทาลายตันหาความอยากในร่างกายได้อันนี้ก็เป็นขั้นของที่สะขั้นที่สองขั้นที่สาม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 ใจดวงนั้นจะไม่มีความผูกพันต่อร่างกายอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายหรือความสวยความงาม น, นี้จะไม่มีปัญหากับใจดวงนั้นอีกต่อไปท่านถึงถ้าตายไปยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอาารนท่านก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปอมีปัญหาใครอย่างกระถามอีก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 ข้อที่สองนะครับหากต้องการบวชเพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆจะอนุญาตให้อยู่บนเขาหรือเปล่าเพราะถ้าต้องอยู่ที่วัดยานด้านล่างคนพลุกพ่านมากหาความสงบได้ยากธรรมเนียมองวัานี้เป็นอย่างนี้ก็ถ้าจะบวชวันนี้ก็ต้องอยู่ศึกษาที่ข้างล่างก่อนอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งพรรษาเพราะว่าเขามีหลักสูตรนักธรรมตรีซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้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 ถ้าไปอยู่กับท่านก็ถือว่าเรียนจากท่านโดยตรงก็ไม่ต้องเรียนตามตําลาก็ได้แตที่นี่ทางวัดเขาไม่มีอาจารย์เป็นหลักเรามันเป็นเพียงอุปโลกเราทําแบบอขอทางข้างถนนไม่ได้ทําเป็นแบบอ า, อาจารย์เป็นทางการาที่สอนก็เพราะว่ามีคนมาหาแต่โดยฐานะเราก็ไม่ได้เป็นครูเป็นอาจารย์ของวัดนี้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 ผู้ที่มีธรรมก็คือผู้ที่มีความสงบก็จะไม่มีความอยากใครจะเห็นเหมือนเราหรือไม่เห็นเหมือนเราใครเขาจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อเราเราก็จะเฉยๆผู้มีธรรมนี้จะมีอุเบกขามีใจเป็นกลางไม่มีตัณหาความอยากผู้ที่เรียนรู้เฉยๆไม่ได้ปฏิบัติยังไม่มีธรรมภายในใจนี้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 พระพุทธเจ้าตอนที่ตัดสรู้ใหม่ๆนะบอกว่าไม่อยากจะสอนใครสอนแล้วเหนื่อยเห็นคนแต่ละคนนี่อ่าจริงๆ ท, ท่านท่านท้อท่านจนกระทั่งเท้ามห ah, าผมต้องมาขอราธนาว่าโปรดเมตตาสัตว์โลกด้วยเถิดเพราะสัตว์โลกก็มีหลายชนิดด้วยกันเหมือนบัวสีเหล่าให้พวกที่มันดื้อมันด้านก็มีให้พวกที่เชื่อฟังก็มี ขอให้ท่านได้ปวดสอนพวกคนที่เชื่อฟังก็แล้วกันให้พวกที่มันมันไม่เชื่อไม่ฟังก็อย่าไปสนใจมันซะแล้วกันตอนหลังพระเจ้าก็เลยเ อ, าอย้างั้นก็เอาสอนคนที่เชื่อก่อนช่วงแรกๆนี้ท่านมุ่งไปหาพระที่ปฏิบัติมีศีลมีสมาธิแล้วพวกนี้เขารอปัญญาของพระเจ้าเพียงอย่างเดียวพอสแสดงปั๊บนี่เขาก็บรรลุกันเป็นเป็นฝูงเป็นพวงไปเลย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 แต่คนมารับไม่มีจานมาเนี้ยคณจะตักอะไรใส่มือเข้าหรอเนตักใส่มือก็ได้นิดเดียวก็เลยให้ไม่ได้เขาต้องมีภาชนะภาชนะที่จะลองรับธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือทานศีลสมาธิถึงจะรับปัญญาได้ถ้ายังเมาเหล้ากินเหล้าเมายายังเที่ยวเตะเออยัง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 ความสามารถของผู้รับว่าเขารับความรู้ได้มากน้อยเพียงไรเราก็ต้องป้อนไปตามฐานะของเขาเมอยงั้นเราก็จะเหนื่อยคนที่ถูกเราสอนก็จะเหนื่อยต่างคนต่างเครียดกันอย่างมาที่นี่ไม่เครียดใช่ไหมก็พูดคนพูดก็พูดไปคนฟังก็ฟังไปจะเครียดก็ตอนที่พูดแล้วไม่ฟังพูดเล้วขยับนู่นขยับนี่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 อันต้นก็ต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์ก่อนรู้จักเจ้าชั้นกําหนดไว้เลยว่าต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าพรรษาห้ามอยู่ปัสาจากครูบาอาจารย์สมัยนี้บางทีบวชออกจากโบสถ์ก็ไปตั้งสํานักเลย<ม>เพราะตนคิดว่าบรรลุแล้ว<ม>ไปเป็นอาจารย์เลยไปสอนผู้อื่นต่อเลยอันนี้ไม่ใช่แนวทางที่พระเจ้าทรงทร ง, ทรงนํำเดินมาต้องศึกษาก่อน ถึงแม้ว่าจะบรรลุแล้วก็ตามถ้าบรรลุแล้วก็จะไม่มีความอยากจะสอนใครไม่อยากจะไปเป็นเจ้าสํานักหรอกอยู่เป็นเป็นเป็นลูกสํานักสบายกว่าไม่ต้องทําอะไรปล่อยให้เจ้าสํานักเขารับแขกรับคนให้ก็ต้องวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเป็นหางเครื่องนี้สบายทํตาต า, ตามหน้าที่ทั้งเองถึงเวลาก็บินทบาทถึงเวลาก็ปัดกว่าดถึงเวลาก็ฉันนี่สบายจะตาย